ผมมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่โดยปกติก็จะขับรถแท็กซี่ทั่วไปแบ่งเป็นกะกันกันกบเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมมักจะได้อยู่กะเช้าเสมอและเพื่อนก็จะขับกะกลางคืนสลับกันไปมาอย่างนี้ทุกๆวันจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผมได้บอกกับผมว่าอยากขอขับกะเช้าสักวันหนึ่งจะได้ไหมเพราะว่าตอนกลางคืนมีธุระจะต้องกลับบ้านต่างจังหวัด ผมเห็นว่าเขามีธุระจริงและก็แค่วันเดียวเท่านั้นก็เลยตอบตกลงไปมันจึงเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ขับรถรับส่งผู้โดยสารในตอนกลางคืนเย็นวันนั้นหลังจากที่เพื่อนของผมขับรถมาส่งผมก็รับช่วงวิ่งรถรับผู้โดยสารไปมาจนดึกแล้วได้มาเจอกับผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดามาโบกรถบริเวณหน้าวัด ซึ่งเป็นวัดชื่อดังแถวแยกแจ้งวัฒนะพี่ไปสำรองไหมคะไปครับขึ้นมาเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูเขามานั่งด้านหน้าคู่กันกันกบผมหลังจากที่ผมได้ยินเสียงประตูรถปิดผมก็ออกรถเดทันทีแล้วก็ขับขึ้นบนทางด่วนวิ่งไปตามปกติจนมาถึงจังหวัดที่ผมได้เหลือไปมองกระจกหลังก็พบว่า ยังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาบนรถด้วยซึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะหลังของผมผมก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงไม่ไปนั่งอยู่ตรงเบาะหลังกับเขาด้วยเพราะตามหลักแล้วมันควรจะเป็นเช่นนั้นและตลอดระยะเวลาที่ผมขับรถอยู่เขาทั้งสองคนไม่พูดกันเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็คิดเอาเองว่าพวกเขากำลังเสียใจกันอยู่หรือเปล่าเพราะจากที่ดูแล้ว เขาใส่ชุดดํากันทังคู่น่าจะเพิ่งมาจากงานศพผมก็ขับรถไปเรื่อยๆจนได้มาถึงหน้าหมู่บ้านก็ต้องแลกบัตรกับรปภหมู่บ้านเพื่อที่จะผ่านประตูเข้าไปแต่ทว่าราปภกลับไม่อยู่ประจําป้อมแต่ไปมุงอยู่ที่ประตูทางออกผมจึงต้องบีบแต่เพื่อเรียกมาแลกบัตรจากนั้นรปภก็เปิดประตูให้ผมจึงขับต่อไปได้ เมื่อขับรถไปส่งถึงที่หน้าบ้านผมก็จอดรถแต่กลับมีผู้หญิงลงเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนผู้ชายไม่ได้ลงด้วยผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาส่งแฟนมั้งแล้วก็ได้ถามเขาว่าจะไปลงที่ไหนเขาไม่ตอบแต่ชี้นิ้วไปข้างหน้าจังหวะนั้นที่ผมกำลังจะวกรถกลับผมได้หันไปมองกระจกหลังอีกทีก็พบว่า เขาได้หายไปแล้วผมแปลกใจมากจึงวนรถกลับไปหาบ้านของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ถามว่าแฟนเขาไปไหนแต่คำตอบที่ผมได้ผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าเธอมาเพียงคนเดียวผมจึงเล่าว่าเขามีลักษณะอย่างไรเมื่อพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่า แฟนของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วและเพิ่งจะเผาศพมาก่อนหน้านี้เองตอนนั้นผมอึ้งทั้งมึนและยืนงงทำอะไรไม่ถูกคิดเพียนแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงเหรอแล้วน้องผู้หญิงก็ควักเงินและยืนให้ผมอีก200แล้วขอลองผมว่าหนูวานพี่ไปส่งแฟนหนูกลับที่วันด้วยนะผมกล้ากลั ว, ลวแต่ก็ตอบตกลง แล้วก็คิดในใจว่าไปก็ไปดีกว่าวิ่งรถไปเป่าๆแล้ววะระหว่างที่วิ่งรถเพื่อจะออกจากหมู่บ้านบรรยากาศตอนนั้นเงียบมากผมก็ดันเผลอคิดไปว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขาโผล่ขึ้นมาจะทำยังไงจูจูก็มีเด็กสองคนใส่เสื้อสีส้มและสีน้ำเงินวิ่งเข้ามาบกรถผมก็เลยหยุดถามว่ามีอะไร พ่อหนูด้วยพาะหนูโดนทำลายอยู่หน้าป้อมยามผมก็เลยคิดได้ว่าตอนเข้ามาทำไมรปภถึงไปมุงอยู่ที่ประตูทางออกพวกรปภมันรุมทำลายคนนี้เองตอนนั้นคิดว่าผมควรจะไปช่วยก็เลยบอกเด็กทั้งสองให้ขึ้นรถระหว่างที่ขับรถไปต่อผมรู้สึกว่ารถมีกลิ่นเหม็นเอามากๆจนทนไม่ไหวต้องเปิดกระจกรถขับกันเลย พอไปถึงป้อมรปภผมก็จอดลงไปถามว่ามีเด็กมาบอกว่าห่อของเขาโดนทำร้ายที่หน้าป้อมรปภคุณเห็นหรอเปล่าไม่มีหรอกผมอยู่ที่นี่มาตลอดที่มามุงกันเมื่อกี้มันมีงูหลามตัวใหญ่มากนอนอยู่ตรงนู้นผมตีหลังหักไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปกัดคนอื่นผมก็เลยกลับไปที่รถเพื่อที่จะถามเด็กว่าพ่อของหนูอยู่ไหน แต่ปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนนั้นได้หายไปแล้วคงเหลือแต่กลิ่นเหม็นสาบและมีของเหลวคล้ายๆกับเมือกเหนียวๆติดอยู่บนเบาะที่เด็กทั้งสองคนนั้นไปนั่งตอนนั้นผมได้แต่แปลกใจว่าเด็กพวกนี้หายไปไหนกันหมดผมกลับไปหารลปรพออีกครั้งบอกให้เขาช่วยอุ้ม ง, งูใส่ท้ายรถเพื่อที่จะนำไปรักษาเมื่อปิดกระ บ, บาด ท, ท้ายรถเสร็จผมก็ก้าวขึ้นบนรถ แล้วก็สตาร์ทรถขับออกไปไไพอขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งที่หัวโค้งจู่ๆท้ายรถผมก็เด้งขึ้นมาเองมผมเหยียบเบรกเลยทันทีแล้วหันไปมองกระจกหลังและกระจกข้างว่าเกิดอะไรขึ้น เต็มสองตาผมเห็นเด็กสองคนกำลังพยุงลุงแก่ๆไม่ใส่เสือ้อผ้าเข้าข้างทางแล้วหายไปผมไม่กล้าที่จะลงไปดูคนเดียวจึงย้อนกลับไปหา ร, าปรอปภอีกครั้งแล้วชวนเขามายังจุดที่เกิดเหตุเมื่อลงไปดูก็ได้พบว่ามีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ผมก้มลงไปมองถึงกับร้องเสียงหลงเพราะผมเห็นตุ๊ ก, กตาเด็ก ใส่เสื้อสีส้มและสีน้ำเงินเหมือนกับเด็กสองคนที่ผมรับขึ้นมาเลยที่สำคัญมีลูกปั้นชายแก่ล้มอยู่ด้วยผมรู้ทันทีเลยว่าเจอดีเข้าแล้ววันนี้มันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยจากนั้นผมก็ต้องวิ่งรถไปส่ง ร, ปรอปภและส่งวิญญาณอีกดวงในรถที่ผมได้รับปากน้องผู้หญิงเอาไว้เมื่อไปถึงหน้าวัดผมก็บอกว่า ผมมาส่งตามสัญญาแล้วนะไม่ต้องไหมผมเห็นหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะหลังจากนั้นผมก็กลับรถและขับออกไปผมขับออกไปและคิดว่าจะไม่มองกระจกหลังเด็ดขาดแต่ก็อดใจไม่ได้ตาผมเหลือบไปมองกระจกหลังแล้วผมก็ได้เห็นผู้ชายคนนั้นกำลังยืนโบกมือให้สันหลังผมเย็นว่าขนนีลุกขึ้นมาเลยเมื่อออกจากจุดนั้นมา ผมก็วิ่งรถเพื่อจะหาผู้โดยสารต่อแต่พอวิ่งรถมาได้สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าลืมแลกบัตรกับรอปรอจึงต้องย้อนกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะแลกเอาบัตรของผมคืนแต่จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่าสองปีแล้วผมยังหาหมู่บ้านนั้นไม่เจออีกเลยตราบจนวันนี้ 不怕死哟！